เฉลิญพรทุกท่านนะวันนี้เป็นวันที่หลวงพ่อมาเทศน์เนี่ยนะอายุเฉลีย่ยควรฟังเนี่ยน้อยนะดูเด็กๆ เ, เยอะปกติเทศจะเป็นพวกคนหนุ่มสาวนักศึกษาถ้าปีหนึ่งปีสองอะไรนึกว่าดูเด็กๆหน่อยเทศที่ยากที่สุดเลยนะเทศให้คนแก่ฟัง มีอยู่คราวนะมีคนนิมนต์หลวงพ่อพิเทศให้ชมลมผู้สูงอายุฟังสูงจริงๆเลยหนละพ่อพอหลวงพ่อเริ่มพูดนะทุกคนก็งัดตะบันหมากออกมากวักกระโถนกวักอะไรเตรียมพร้อมเอาไว้บวนน้ำหมากคนพออายุมากขึ้นนะเรียนธรมมรมะยากขึ้น ความจริงเรียนอะไรก็ยากไปหมดะเพราะการศึกษานี่จำเป็นต้องใช้ความแข็งแรงทางร่างกายทางจิตใจงั้นถ้าเรียนตั้งแต่อายุน้อยๆได้ก็จะเก่งเร็วเพราะเด็กใจมันเปิดในการรับรู้สิ่งใหม่ๆได้มากกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ประสบการณ์ชีวิตมากคล้ายๆน้ำชาเต็มถ้วยละ รับของใหม่ลำบากกว่าเด็กแต่เด็กก็เป็นบางคนนะบางคนก็รับได้เร็วบางคนก็รับได้ช้าตอนนี้ถ้าพวกเราตามสถานการณ์ตามอะไรระหว่างประเทศจะรู้ว่าภาพพ์คนไทยเราเนี้ยคอ่อนข้างแย่พวกเรารุนร่นลูกรุนร่นหลานของพ่อต่อไปเนี่ยจะลำบาก อันนี้ไม่ได้ถ่ายแบบหมอดูนะชอบถ่ายแบบทางวิชาการเลยฐานการผลิตเนี่ยมันย้ายจากเมืองไทยไปพม่า ก, ก็เปิดเวียดนามก็เปิดอะไรเงี้ยคนไทยเรานักลงทุนอย่างญี่ปุ่นเขาวิเคราะห์คนไทยนะต้องจัดว่าเข้าระดับเร็วแบบน่าเกลียดมากเลยบอกคนไทย ยุคนี้นะไม่มีความอดทนรักสนุกรักสบายไม่มีระเบียบวินัยไม่รักษาคำพูดหาแต่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าประโยชน์ระยะ ย, ยาวไม่เอาเอาเฉพาะหน้าเอาเร็วๆ เ, เห็นแก่ตัวเองไม่เคยมองสังคมเลยกฎระเบียบทั้งหลายในเมืองไทยเนี่ยกำหนดขึ้นมาเพื่อสนองคนบางกลุ่ม เขาก็สรุปว่าเป็นประเทศที่ไม่ควรลงทุนอีกต่อไปแล้วถ้าเขาไม่ลงทุนเราจะไปทำอะไรไปทำไร่ทำนาทำเป็นไหมทำไม่เป็นแล้วนะคุณภาพเขาบอกเลยนะคุณภาพการศึกษาก็ต่ำลงเรื่อยๆประเทศกำลังถอยหลังในขณะที่ประเทศรอบๆเราเนี่ยก้าวหน้านะเขาพัฒนาขึ้นทุกๆด้านเลยคนไทย ย่ำอยู่กับที่ไม่ย่ำอยู่กับที่ในขณะที่คนอื่นเดินไปข้างหน้าก็าคือเราถอยหลังงั้นวันข้างหน้าเนี่ยชีวิตมันจะไม่สดชื่นเรื่อนรมเหมือนตอนนี้รหรอกเฮฮาปาร์ตี้กันจะอยู่กันยังไงจะทายัางไงให้มีชีวิตรอดได้รุนหลวงพ่อนี่สบายแล้วละไม่นานก็ตาย รุ่นพวกเราเด็กๆที่ยังอยู่เนี่ยจะอยู่ยังไงปัญหานี่รอเราอยู่ข้างหน้าเต็มไปหมดเลยนี่เราก็หลงสนุกสนานไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะร้องรำทำเพลงไปเลิดเพลินไปจบไปแล้วจะไปทำอะไรกินยังไม่รู้เลยบางคนจะไปทำธุรกิจอะไรการลงทุนไม่มีไ ม, ไม่ดีคนอื่นก็ไม่มา ต้นทุนค่าแรงก็แพงแพงกว่าชาวบ้านครับเะนนต้นทุนการผลิตสูงของที่ผลิตออกมากต้องแพงกว่าชาวบ้านแข่งกับใครก็ไม่ได้สิ่งเหล่านี้รอเราอยู่นะรอเราอยู่ข้างหน้าความลําบากทางเศรษฐกษิจรอเราอยู่เศรษฐกษิจตกต่ําสังคมต้องเร็ว ภูายเต็มบ้านเต็มเมืองทุกวันนี้ก็เต็มแล้วเราไม่มีความปลอดภัยอยู่ที่ไหนก็ไม่ค่อยจะปลอดภัยอยู่บนรถไฟฟ้ายังไม่ปลอดภัยเลยที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยเราจะอะไรเป็นที่พึ่งได้ในสภาวะที่ปัญหารอเราอยู่ข้างหน้าเราต้องหาอย่างน้อยเราต้องมีความรู้ก่อนมีความรู้อย่างเดียวไม่พอหรอก ความรู้เนี่ยมันทำให้เราเท่าทันนะวิทยาการทำมาหากินมีวิชาแต่เราต้องมีศาสตร์ที่สำคัญนะว่าทำยังไงเราจะไม่ทุกข์ในภาวะที่ปัญหาร้ายแรงต่างๆเกิดขึ้ น, นคนตายเพราะความเครียดนี่เยอะนะคนทุกข์ทรามานมากมายอย่างคนที่ตายในสงครามมีความทุกข์ ในระหว่างสงครามนะมันน้อยกว่าคนที่มีชีวิตยอยู่หลังสงครามอีกในชีวิตที่ลำบากตอนนี้ความรุนแรงกระจายไปทั่วโลกแล้วเมืองไทยรุนแรงมาก่อนพอเราเรียบร้อยนะทางยุโรปก็กมีปัญหามีไปทั่วๆในอเมริกาก็กระทวงกันใหญ่เรืงคนต่างผิวกัน ปัญหามันกระจายไปทุกคนทุกแห่งนะเราจะหนีได้ไงเราอยู่กับมันนะเราจะหนีจากเมืองไทยหรือเมืองไทยปัญหามากก็หนีไปไหนไม่ได้หนีไปประเทศอื่นประเทศอื่นก็มีปัญหาอีกในภาวะที่ปัญหามันบีบคั้นเรามองเห็นแล้วว่าวันข้างหน้าเนี่ยปัญหามากโดยส่วนตัวของเราเองลนะเราก็มีความทุกข์รอยอยู่ข้างหน้า แต่ละคนตอนนี้ยังแข็งแรงยังหนุ่มยังสาวต่อไปก็ต้องแก่เจ็บไข้ได้ป่วยต้องตายต้องพลดัพลดพรากจากสิ่งที่เรารักต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจพวกเราบางคนยังหวานแหววยังเด็กๆมีความรักมีอะไรเชื่อไหมว่าวันหนึ่งต้องพลดัพลดพรากจากสิ่งที่เรารักจากคนที่เรารักพลดัพลดพรากทุกคนลไม่จากเป็นก็จากตายบางคนตายเร็ว อยู่กันด้วยกันไม่นาน Omar. ปรบปรับเป็นมะเร็งตายทุกวันนี้คนเป็นมะเร็งมหาศาลเลยเป็นโรคอันดับหนึ่งเลยคนไทยเนี้ยพวกเราเริ่มสังเกตไหมเด็กไทยรูปร่างพิลึกพิลึกเดี๋ยวนี้ตัวโตๆผิดรูปผิดร่างไปอาหารการกินเนี้ยมันเปลี่ยนไปหมดมันกินอาหารที่มีสารเร่งเนื้อมีฮอร์โมนมีอะไรคนเป็นมะเร็งเนี้ยเยอะแยะเลย ปรับก็ตายหรือบางทีไม่ได้เป็นมะเร็งอยู่ๆก็ประท้วงกันเราไม่เกี่ยวล้วก็โดนตายเหมือนกันชีวิตเราเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะอันนี้วิชาความรู้ที่เราเรียนจากมหาวิทยาลัยช่วยเราไม่ได้วิชาที่จะช่วยให้เราผจนกับความทุกข์ได้ก็คือพระพุทธศาสนานี่แหละถ้าเราเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้านะ ไม่ว่าโลกจะแตกเราก็ไม่ทุกข์ถึงเราจะเจ็บไข้ ป, ป, ปุบปับอายุน้อยๆตายไปเยอะแล้วถ้าอยู่มานานๆอย่างหลวงพ่อเนี่ยจะเห็นเลคนอายุน้อยกว่าหลวงพ่อตายไปตั้งเยอะแยะแล้วเมืางคนเด็กๆ ก, ก็ตายนะเด็กยังไม่ได้10ปีเป็นมะเร็งก็มีนะไปฉายแสงไปอะไรต่ออะไรความทุกข์มันมากมายนะทั้งปัญหาเศรษฐกิจ การเมืองสังคมสุขภาพอนามัยอะไรเนี่ยบีบคั้นไปหมดเลยความทุกข์โดยตัวของเราเองก็มีทุกข์เพราะความแก่เพราะความเจ็บเพราะความตายทุกข์เพราะพลดัพลดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่รักทุกข์เพราะต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่มีใครจะช่วยเราได้เราต้องศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นศาสตร์ที่จะถอดถอนความทุกข์ออกจากใจเรา เป็นศาสตร์ที่โดยตรงเลยนะศาสตร์แต่ละสาขามันจะตอบคาถามแต่ละคำถามอย่างแพทยศาสตร์เนี่ยขาก็ตอบคาถามว่าจะรักษาโรคได้ยังไงนิติศาสตร์เียจะรักษาความเป็นธรรมได้ยังไงรัฐศาสตร์เนี่ยจะปกครองยังไงให้เรียบร้อยให้ดีให้สังคมเจริญเศรษฐศาสตร์ก็ทำยังไงเศรษฐกิจจะดีะทำยงไงจะไม่มีปัญหาศาสตร์แต่ละศาสตร์เนี่ย มุ่งไปตอบคําถามแต่ละด้านแต่ละด้านพระพุทธศาสนาเนี่แหละตอบคําถามว่าทำยังไงจะมีชีวิตอยู่โดยไม่ทุกขนะ์ชีวิตเราบอกแล้วนะความทุกข์รอบตัวเลยเราจะอยู่กับสภาพที่มีปัญหานี้ได้ยังไงโดยไม่ทุกข์ถ้าเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะเราจะไป น, นึกนะว่าเป็นชาวพุทธเนี่ยแค่ว่าถึงวันเกิดเท่าไปใส่บาตร เวลาตายก็หามไปเข้าวัดให้พระสวดให้ผีฟังคนไม่ฟังคนนั่งเฉยๆรอกินข้าวต้มศานะ ส, สนาพุทธไม่ได้ต่าต้อยขนาดนั้นนะไม่ใช่มีแค่ะเพณธีศา ส, สนาพุทธไม่ใช่เป็นเรื่องแค่เรื่อยไัยทำบุญทาทานถึงเวลาส่้อยซอ ง, อ, งอย่างเนี้เป็นชาวพุทธมีใบเรื่อยไัย ตอนสมัยก่อนนะหลวงพ่อรับราชาการอยู่เป็นข้าราชการนะช่องแรกหลังไปอยู่รา้านวิสาหกฤษตอนเป็นข้าราชการเงินเดือนน้อยนะโอแต่และเดือนนี่นะซองทำบุญนี้มากมายพอเห็นแล้วเราเกิดอกุศล น, นะโอถ้าต้องใส่ทุกซองนะซองละร้อเนี่ยเงินเดือนกืบหมดละศาสนาพุ้นไม่ได้กระจอกอย่างนั้นไม่ใช่มีแค่เรื่องทําบุญเรื่อะไย ศา ส, สนาพุทธไม่ใช่มีแค่เรื่องการถือศีลศาสนาอื่นเขาก็ถือศีลอย่างของเขาเหมือนกันศา ส, สนาพุทธไม่ใช่มีแค่เรื่องการนั่งสมาธิเพราะศาสนาอื่นเขาก็มีเรื่องสมาธิอย่างพวกคริสตนะ์เขาไปร้องเพลงในโบสถ์คิดถึงพระเจ้าคิดถึงอะไรร้องเพลงใจสบายนั่นก็คือการทำสมาธิแบบหนึ่งพวกมุสลิมเขาละหมาดวันหนึ่ง5ครั้งคิดถึงพระเจ้า นั่นกคือการทำสมาธิอย่างหนึ่งหลายๆาศาสนาเลยมีนับรูก ป, ประคำอะไรเงี้ยนี่ก็เรื่องของสมาธิงั้นสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำไปงั้นถ้าเราคิดว่ า, าศาสนาพุทธเป็นเรื่องการทำทานการถือศีลการนั่งสมาธิไม่เห็นว่ามันจะพ้นทุกตรงไหนเลยอยากพ้นทุกไม่ได้สิ่งที่เราจะทำให้เราพ้นทุกได้เราเป็นชาวพุทธเต็มภาคภูมินะคือการเจริญปัญญา คำว่าพุทธะพุทธแะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อะไรรู้ความจริงของชีวิตตื่นขึ้นมาจากโลกของความฝันความงมงายไม่ใช่อยู่ในโลกของจินตนาการแต่อยู่ในโลกของความเป็นจริงเราเบิกบานเป็นผู้เบิกบานเบิกบานด้วยใจที่ไปรู้ความจริงนะอย่างเราแก่ก็ เ, เห็นความแก่เกิดขึ้นใจก็เบิกบาน เวลามีความเจ็บไข้เกิดขึ้นใจยังเบิกบานเลยนะเวลาจะตายใจก็เบิกบานตอนนี้มีตัวอย่างให้ดูองค์หนึ่งนะคหลวงพ่อคำเขียนใครเคยได้ยินชื่อไหมหลวงพ่อคำเขียนเต้นมะเร็งไม่ได้รักษากลับไปอยู่วัดไปเยี่ยมท่านท่านพูดไม่ได้แล้วกินอาหารก็ไม่ได้ต้องเจาะฝีอาหารเข้าไปหายใจทางจมูกก็ไม่ได้เจาะที่คอทั้งตัวเนี่ยนะ ดูแล้วไม่มีความสบายเลยแต่จิตท่านสบายจิตท่านร่าเริงจิตท่านเบิกบานนะเข้าวใกล้ๆย่ารู้สึกเลยโอ้มีความสุขพวกเราลงเจ็บขนาด น, นั้นนะเราไม่มีความสุขคงงองแย่พิลึกเลยทุกวันนี้มีคนวิจารณ์นะมันเด็กไทยอ่อนแอลงเรื่อยๆนะใจส่ออ่อนแอลงเรื่อยๆความเป็นพุธธนนทธะทําให้ ใจมันเป็นผู้รู้คือรู้ความจริงของชีวิตใจเป็นผู้ตื่นหลุดออกจากโลกของความงงงายใจเป็นผู้เบิกบานแม้กระทั่งความตายรออยู่ข้างหน้าสิ่งเหล่านี้เราได้มาด้วยการที่เราฝึกจิตฝึกใจของเรางานฝึกจิตเนี่ยมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งฝึกจิตให้มีสมาธิให้สงบให้ตั้งมั่น ส่วนหนึ่งคือการเอาจิตที่สงบแล้วตั้งมั่นแล้วมาเรียนรู้ความจริงของชีวิตเรียนรู้ความจริงของกายของใจตรงที่ฝึกจิตใจให้สงบให้ตั้งมั่นเรียกว่าการทำสมถะกรรมฐานตรงที่มาฝึกให้เห็นความจริงของกายของใจของชีวิตเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะเรียนให้มากพระพุทธเจ้าท่านยังสอนบอกว่า ทำที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งนะคือสมถะอะไรพิปัสนาต้องทำด้วยปัญญาไม่ใช่ทำด้วยความงมงายนะทำด้วยปัญญาก็คือเราจะทำอะไรเราจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรทำแล้วมีผลยังไงเราต้องชัดเจนไม่ใช่ทำตา ม, ตา ม, ต, ามตามกันไปเห็นเขาไปปฏิบัติทำเขาเดินจงกรมเขาเดินกับเขาไม่รู้ว่าเดินทำอะไรงั้นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะเป็นแต่ความงมงายเรียกว่าทางานโดยไม่รู้วัตถุประสงค์ ต่อไปพกเราทำงานต้องมีวัตถุประสงค์ของการทำงานงานแต่และงานต้องมีวัตถุประสงค์ในวัตถุประสงค์สุดท้ายนะั้นจะต้องผ่านเป้าหมายหลายๆเป้าแต่ละเป้าเนี่ยมุ่งอะไรต้องทำนะวัตถุประสงค์ของเราชาวพุทธคือพ้นทุกเด็ดขาดนะใจเราจะไม่ทุกอีกต่อไปแล้วไม่ว่าปัญหาจะรุนแรงแค่ไหนเป้าของมันมีสีเป้านะที่เรียกว่าโสดา โสดาบันสักกทาคามีอนาคามีพระรหันต์มีสีเป้าโสดาสักกทาคานาคาพระรหันต์เนี่ยเป็นการวัดคุณภาพของจิตว่าล้างกิเลสไปได้ขนาดไหนแล้วนเะบื้องต้นที่เป็นพระโสดาบันยังมีปัญญาล้างกิเลสในขั้นต้นเห็นความจริงอย่างหนึ่งนะว่าโลกนี้เหมือนความฝันเท่านั้นเองโลกนี้เป็นแค่ความฝันไม่ได้มีจริงหรอก ทุสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นว่าจริงจังเนี่ยเพราะเราไปหลงมันเท่านั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเหมือนความฝันอยู่ชั่วคราวแล้วก็สลายตัวไปหมดเลยอย่างพวกเรามีความเป็นหนุ่มเป็นสาวฝันไปเลยว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่นานคนะวามเป็นหนุ่มเป็นสาวก็าหายไปแนละ้วมีความสุขนะสบายใจร้องรําทําเพลงเป็นนักศึกษาไม่ต้องคิดอะไรมากมีพ่อมีแม่เลี้ยงบนะางคนพ่อแม่ก็อันตรธานไปในเวลาอันสั้น ทุกอย่างนะในชีวิตเราเนี้เป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยในพระโสดาบันท่านเห็นตรงนี้งั้นพวกเราอันนี้คือเป้าหมายแรกเป้าหมายแรกก็เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันมีปัญญาเห็นความจริงแล้วว่าทุกอย่างมันชั่วคราวสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาถ้าเราเห็นตรงนี้แล้วมันจะดียังไงเห็นแล้วใจจะท้อแท้ไหมใจจะไม่ท้อแท้นะ ใจใจเข้มแข็งอย่งอยู่ๆเราไปตรวจร่างกายเป็นมะเร็งก็ไม่เห็นประหลาดอะไรเพราะร่างกายนี้เราอยู่ได้ชั่วคราววันหนึ่งคนรักเราทิ้งเราไปก็ไม่เห็นแปลกอะไรเพราะคนรักกันมันก็รักชั่วคราวอยู่ด้วยกันก็อยู่ชั่วคราวไม่มีใครอยู่ด้วยกันตลอดไปนะก็อยู่ชั่วคราวเท่านั้นเมื่อคนอยู่ชั่วคราวนานหน่อยอยู่หลายสิปีนะแล้วตายจากกัน บางคนชั่วคราวสั้นที่เดียวโทรศัพท์เจอกันโทรศัพท์คุยกัน2 ส, สวันแหมรักกันมากเลยอีก 4-5 หวันก็เลิกกันละความรักสั้นจุดจุเลยถ้าเราไม่เคยฝึกจิตฝึกใจนะเราไม่เคยเห็นความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวเวลามีปัญหาชีวิตขึ้นมาหรืออกหักขึ้นมานะจะเป็นจะตายอกหักครั้งที่หนึ่งเนี่ยแทบเป็นแทบตายเลยนะ พอครั้งที่20่สิบอเฉยๆแล้วพอทาใจได้ว่าโลกมันเป็นอย่างนี้แหละเดีย๋ยวไปหาเอาใหม่เพะงั้นเราต้องมาฝึกตัวเองนะจนกระทั่งใจเนี่ยมันยอมรับความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวถ้าทุกอย่างในชีวิตเป็นของชั่วคราวเนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราจะไม่ค่อยวันไหวจะวันไหวน้อยมากเลยเรารู้ว่าร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวถ้าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายมันก็เรื่องธรรมดา เราเห็นว่ามันธรรมดาเรารู้ว่าวันหนึ่งเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเรารู้ว่าบางครั้งบางคราวเราต้องเจอสิ่งที่เราไม่ชอบนะเรารู้ว่าบางทีเรามีความอยากขึ้นมาก็สมอยากบางทีก็ไม่สมอยากไม่ใช่ว่าได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่อยากอ่ะมีแต่ของไม่แน่นอนในชีวิตเรามีแต่ของชั่วคราวมีแต่ของไม่แน่นอนความสุขที่เราเที่ยวหาแทบเป็นแทบตาย บางคนหาความสุขด้วยความยากลำบากมากเลยเพราะความสุขที่เราเที่ยวหาเนี่ยเป็นความสุขที่อาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นเราจะมีความสุขถ้าเราได้อยู่กับคนคนนี้ถ้าเราพลัดพรากจากคนคนนี้ไม่มีความสุขเอาชีวิตตัวเองไปฝากไว้กับคนอื่นไม่มีแต่ความไม่แน่นอนนะเรารักใครนะเราอยากอยู่กับเขานานๆต้องคอยโอขเขารู้สึกไหมเวลาเรารักใครสักคนเราเสียอิสรภาพนะ สูญเสียไปมากเลยต้องคายเอาใจเขาเคยทำอะไรได้อย่างอิสระก็ไม่อิสระแล้วงั้นถ้าเราภาวนานะเราหัดเรียนรู้ความจริงมากๆจ ใ, ใจมันยอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างชั่วคราวเนี่ยเวลาคนที่เรารักเขาเลิกกับเราไปเราก็พอใจแล้วอย่างน้อยช่วงหนึ่งเคยมีความสุขแต่ความสุขนี่มันหมดเวลาล้มันผ่านไปแล้วก็แล้วกันไป เราเคยอยู่กับพ่อแม่เราวันหนึ่งพ่อแม่ก็ผ่านไปเป็นเรื่องธรรมดาใจเราังไม่บ่นไหวบางทีเราฐานะดีบางคนเกิดมารวยนะอยู่ไปอยู่ไปก็จนลงเรื่อยๆเป็นนี้เป็นสินะถ้าใจมันเคยเห็นนะมันเห็นว่าทุกอย่างธรรมดานะทุกอย่างมันชั่วคราวทรัพย์สินอยู่กับเราก็อยู่ชั่วคราวไปลมันจะไม่บ่นไหว งั้นเวลาเมื่อปี4ี 0, ศ่ศูนย์มั้งเศรษฐกิจตกต่ํานะฟองสบู่แตกเมืองไทยกดค่าตัวตายเยอะเลยเพราะยอมรับความจริงไม่ได้เคยรวยเคยรวยแล้ววันหนึ่งเต็มไปด้วยนี้ค่าของเงินเปลี่ยนไปเปลี่ยนปับ๊บอยู่ๆจากมีทรัพย์สินกลายเป็นหนี้สินจับพลันเลยในเวลาค้ามคืนทนไม่ได้ค่าตัวตายถ้าคนมีศีลมีธรรมนะ เคยปฏิบัติทำจะรู้สึกว่ามันธรรมดามันไม่แน่นอนนะอย่างน้อยช่วงหนึ่งเขาเคยรวยมาแล้วก็ยังดีอะ่ะดีกว่าไม่เคยรวยเลย <c oughs> เราไม่ได้สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างนะบางคนรู้สึกว่าพอเป็นนีบนะล้มละลายเลยธุร ก, กิจเสียหมดเลยเศรษฐกิจมันเปลี่ยนยุคเขาเรียกว่ายุคต้มหยับกุ้งโตวทันไหมเกิดทันยังทันไหม <c oughs> ที่จริงแล้วเราไม่ได้เสียทุกสิ่งทุกอย่างเราเสียทรัพย์สินไปแต่เรามีประสบการณ์ไม่ได้เสียทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สินเป็นของไม่แน่นอนวันหนึ่งก็ต้องเสียอยู่แล้วละ่ะมีเงินตั้งหลายหมื่นล้านสุดท้ายมันก็ตายคนมีเงินมากๆไม่ใช่ว่ามันบริโภคได้มากนะมันกินข้าวได้มันก็กินได้แค่นี้แหละไม่ใช่ว่ามีเงินเยอะแล้วมันกินข้าว ได้ทีละกระสอบเมื่อไหร่นะเราจะรู้เลยว่าเอเบสิกม i ใน m ั่มนิดนะใจเรายอมตรงนี้ได้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วของอื่นเป็นของโชคลาวไปหมดอนะ่ะมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเป็นเรื่องธรรมดาวันนี้มีข้าวกินมีเสื้อผ้าใส่มีบ้านนอนอยู่ก็ยังบุญแล้วลนะมีเรี่ยวมีแรงมีสติปัญญามีประสบการณ์ชีวิต ต่อสู้ต่อไปอีกงั้นถ้าเมื่อไหร่นะใจเรายอมรับความจริงได้นะว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของโชวคราวเนี่ยความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของโชวคราวอะไรอก็โว่วคราวเราจะไม่หวั่นไหวกับสิ่งต่างๆเวลาความทุกข์เกิดขึ้นใจก็ไม่หวั่นไหวนะเพราะว่ามันรู้ว่าก็ของชั่วคราวเวลาความสุขเกิดขึ้นเราก็ไม่หลงระเริงนะ อย่างทุกวันนี้เราเป็นเด็กเป็นนักศึกษาใหม่ๆอะไรเนียเราสนุกสนานถ้าเราภาหนาเป็นเราเขจะรู้ว่านี่มันก็ของชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเวลามีความสุขมันก็ไม่หลงระเริงเวลามีความทุกข์นะก็ไม่จะเป็นจะตายเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดเลยทำยังไงใจเราจะสามารถเห็นความจริงได้ว่าทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราว ดีใจก็ชั่วคราลเสียใจก็ชั่วคราวนะโกรธขึ้นมาก็ชั่วคราวน้อยใจก็ชั่วคราลอกหักก็ชั่วคราลเศร้าโศกอะไรก็ชั่วคราวทั้งหมดเลยอยู่ๆใจมันไม่เห็นหรอกต้องพามันดนะูตรงที่พาใจให้ไปดูความจริงของชีวิตตรงนี้แหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานการจะหัดดูความจริงของชีวิตเนี่ยไม่จำเป็นตะ้องไปดูอะไรมากมาย มีวิธีที่ง่ายๆนะคือคอยรู้ทันใจของเราเองเพราะในใจของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายตลอดเวลาเปลี่ยนตลอดเวลาถ้าเราคอยมารู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเราบ่อยๆ น, ะนี่แหละคือการหัดปฏิบัติธรรมเป็นอย่างง่ายที่สุดแ ล, ะละ้วล่ะไม่ไดว่าต้องไปเข้าฌานนั่งสมาธิจริงได้หลายๆชั่วโมงไม่จาเป็นถึงขนาดนั้นหรอก หน้าตายอย่างพวกเราเข้าฌานยากใจมนฟุ้งคิดทั้งวันนะเราทำกรรมฐานที่ง่ายๆเหมาะกับคนฟุ้งซ่านแบบพวกเราคือคอยรู้ทันความฟุ้งซ่านของใจนะเดี๋ยวมันก็ฟุ้งเดี๋ยวมันก็ดีนะฟุ้งไปในทางดีเดี๋ยวก็ปรุงไปในทางชั่วเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะีวคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปได้นะตื่นนอนขึ้นมา นึกได้ว่าวันนี้วันจันรนะใจเหี่ยวเลยต้องไปเรียนอีกแล้วหรือต้องไปทํางานนะไม่สดชื่นพอถึงวันศุกร์นะีแหมสดชื่นแนละวันเสาร์ก็สดชื่นวันอาทิตย์บ่ายๆไม่ค่อยสดชื่นอีกลว้วันจันทร์จะมาทํางานใครเคยเป็นไหมเคยรู้สึกไหมแต่ละวันเนี่ยความรู้สึกของเราไม่เหมือนกันอย่างพวกที่เป็นนักเรียนรู้สึกไหมอย่างถ้าเราเป็นนักเรียนเราเรียนอาทิตย์ห น, นึ่งห้วันนะ วันจันรนะโอ้ขี้เกียจนะเบื่อตื่นนอนมาก็เซงแล้ความจริงเซงมาตั้งแต่วันอาทิตย์บ่ายแล้ววันอาทิตย์บ่ายนี่เป็นเวลาที่หดหูเหงาเหงาเซงเซงวันจันร์วันอังคารวันพุธเนี่ยสุดจะเซงสุดจะเบื่อพอถึงวันพฤหัสนะเริ่มมีความสุขแล้วรู้สึกไหมทั้งๆที่วันนี้ต้องเรียนหนักก็ได้แต่มันเริ่มมีความสุขแล้ววันสุขนี่กระดีกระดาเลยนะ วันเสาร์ก็มีความสุขอาทิตย์ใบใบเหี่ยวอีกล้เนี่ยถ้าเราสังเกตใจเรานะมันจะมีวงจรมันนะคอยรู้ทันความรู้สึกของเราในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเปลี่ยนตลอดเวลาเลยเดี๋ยวสุขแล้วก็หายไปก็ทุกข์กุ้นใจก็หายไปวนนี่ถ้าเราฝึกอย่างนี้มันก็ยังช้าไปเพราะในความเป็นจริงแล้วใจเราไม่ได้เปลี่ยนหลายสัปดาห์นะไม่ใช่เป็นวงรอบรายสัปดาห์หรอก ในวันเดียวกันนะใจเรายังเปลี่ยนเลยตื่นนอนตอนเช้าความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งบางคนตื่นขึ้นมาสดชื่นออกจากบ้านเจอรถติดความสดชื่นหายไปแล้วกลายเป็นความเครียดไปสอบทันหรือไม่ทันพวกอาจารย์ก็เครียดนะั่นไปสอนทันหรือไม่ทันมาถึงมหาวิทยาลัยได้ดีใจดีใจ กำลังเดินด้วยความดีใจว่ามาทันมาเรียนทันไม่เจอคนที่เกลียดความดีใจพลิกแล้วรู้สึกอืสวยแต่เช้าเลยนะเห็นไหมความรู้สึกเราเปลี่ยนเปลี่ยนตลอดเวลาเลยกลางวันไปกินข้าวนะไปซื้อข้าวกินนึกว่าจะอร่อยไม่อร่อยเลยนะเห็นแล้วสมมติเราชอบกินข้าวกับไข่เจียวนะวันนี้แม่ค้าทํำข้าวกับไข่เจียวเราดีใจ ซื้อมากินว่าแม่ค้าลืมใส่น้ำปลาไข่นี่จืดสนิทเลยแนะม่อร่อยจากความดีใจนะมันพลิกกลับเป็นความไม่พอใจไปแล้วเนะื ใ, นใจเราเนี่ยพลิกตลอดเวลานะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทั้งวันเลยทั้งวันเดินไปเจอคนนี้ก็พอใจเดินไปเจอคนนี้ก็เกลียดเนะื้อใจมันเปลี่ยนอย่างนี้ตลอดเวลาเราหัดคอยรู้ไว้คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆนะ ใจเรามีความสุขเรารู้ใจเรามีความทุกข์เราก็รู้นะใจเราดีก็รู้ใจเราโลภใจเราโกรธใจเราหลงใจเราฟุ้งซ่านใจเราหดหู่ใจเราอิจฉาใจเรากลัวใจเรากังวลใจเราเซงแต่ละอย่างนะมันจะหมุนอยู่ในใจเราทั้งวันอันนี้ไม่ต้องดูเป็นวงรอบเป็นสัปดาห์นะในวันเดียวกันในวันเดียวนีเปลี่ยนสารพัดจะเปลี่ยนเลย เช้าสายบ่ายเย็นเนี่ยความรู้สึกไม่เหมือนกันนะถ้าดูได้ละเอียดขึ้นไปก็จะเห็นว่าทุกคราวที่มีการกระทบอารมณ์เช่นตา Curiosity, เรามองเห็นความรู้สึกเราก็จะเปลี่ยนหูเราได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนจมูกเราได้กลิ่นความรู้สึกก็เปลี่ยนลิ้นเราได้ถูกกระทบรสความรู้สึกก็เปลี่ยนร่างกายเรากระทบสัมผัสนะความรู้สึกก็เปลี่ยนหรือใจเราคิดความรู้สึกก็เปลี่ยน เนีความรู้สึกมันเปลี่ยนในทางพระเรียกว่าผัสสะผัสสะคือการกระทบนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณนะ์นี่เรามองเห็นเนะี่ยเราเห็นคนนี้มีความสุขเห็นคนนี้มีความทุกข์เห็นคนนี้มีความรักเห็นคนนี้มีความเกลียดความรู้สึกมันเปลี่ยนตามการมองเห็นหูเราได้ยินเสียงความรู้สึกเราเปลี่ยนเราได้ยินเสียงคนนี้เราชอบเราได้ยินเสียงคนนี้เราไม่ชอบ ได้ยินเสียงอาจารย์คนนี้สบายใจได้ยินเสียงอาจารย์คนนี้ไม่ชอบใจมันเปลี่ยนได้ยินคําพูดแบบนี้ชอบได้ยินคําพูดแบบนี้ไม่ชอบอย่างเราเดินเดินอยู่มีใครมาตะโกนไอ้บ้าโอ้มันด่าเราเราไม่ชอบหันไปดูอ๋อเพื่อนเราทักทายโอ้เพื่อนซีกันจัดโกรธนะเปลี่ยนปุ๊บเลยกลายเป็นพอใจความรู้สึกเราเปลี่ยนอย่างนี้ตลอดเวลานะจะกินข้าวจะทําอะไรนี่เปลี่ยนตลอดเลย อย่างหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนโบราณไม่เหมือนเด็กรุ่นนี้สบายคนโบราณอาบน้ำในตุ่มใครเคยอาบน้ำในตุ่มไหมเคยไหมรู้จักตุ่มไหมตุ่มเนี่ยชื่อท่านอธิการนะอธิการท่านชื่อเล่นว่าชื่อตุ่มนะเดี๋ยวนี้เด็กไม่รู้จักตุ่มมันทำด้วยดินนะเวลาเอาน้ำใส่ลงไปเนี่ยจะเย็นเย็น เวลาหน้าร้อนนะเราจะอาบน้ำเนี่ยเราเห็นตุ่มน้ำนะโสดชื่นละน้ำมันเย็นหน้าหนาวเนี่ยนะแค่เห็นตุ่มน้ำนะสยองเลยนะถ้าพวกเปิดก๊อกก็มีน้ำร้อนน้ำอุ่นอะไรพวกนี้ไม่รู้สึกหรอกไม่มีรสชาติของชีวิตนะถ้าลงอาบน้ำในห้วยเนะี่ยโอ้ยหน้าหนาว น, นี่หนาวเอาเรื่องเลยกระทั่งกลางวันแสกๆนะยังหนาวเลยบางทนะีนี่ตาเรามองเห็นโอจะต้องอาบน้ำนะแต่น้าก็เย่นเย็นะ แค่เห็นนะใจก็กลัวแล้วนะเวลาอาบน้ําเย็นนะขันแรกเนี่ยน่ากลัวที่สุดขันต่อไปความน่ากลัวจะลดลงลดลงนะขันท้ายๆเนี่ยจะเปลี่ยนจากกลัวเป็นดีใจนะเนี่ยความรู้สึกมันเปลี่ยนนะอุณหภูมิของน้ําที่กระทบตัวเราเท่ากันนะเท่าเดิมอนะแต่ความรู้สึกเรายังไม่เท่าเลยความรู้สึกเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆ อ, นะอาบน้ําเสร็จนะเช็ดตัวอุ่นสบายเลยน้าหนาวอาบน้ําเสร็จแล้วอุ่นใช่ไหม ถ้าใครอาบน้ําอุ่นอาบเสร็จแล้วหนาวอิกนะถ้าใครอาบน้ำเย็นอาบเสร็จแล้วอุ่นสบายมีความสุขเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเวลานะเรียกถัดสะคือสิ่งที่มากระทบทางตาเราไปเห็นเห็นอย่างนี้พอใจเห็นอย่างนี้ไม่พอใจเห็นอย่างนี้สุขเห็นอย่างนี้ทุกข์เห็นอย่างนี้โลภหลดหลงแต่ละอย่างไม่เหมือนกันได้ยินก็ใจก็ไม่เหมือนกันได้ยินอย่างนี้มีความสุขได้ยินอย่างนี้มีความทุกข์ได้ยินอย่างนี้โกรธ ได้เย็นอย่างนี้ดีใจนะหรือได้กลิ่นได้กลิ่นนะความรู้สึกเราก็ไม่เหมือนกันนะได้กลิ่นหอมใจเราก็ชอบนะได้กลิ่นไม่หอมใจไม่ชอบอย่างเงี้ย น, นะใจเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆืเปลี่ยนตามการกระทบเมื่อที่เราคิดเวลาเราคิดนะเราคิดถึงคนคนนี้เรามีความสุขเราคิดถึงคนนี้มีความทุกข์เคยแม้อยู่ๆนั่งๆ่งอยู่ก็นึกถึงหน้าคนนึงขึ้นมาได้แล้วเกลียดเกลียขึ้นมา อีนังนี้ศัตรูเก่าเราอะไรเงี้ยนะใจมีนคิดเท่านี้เองความรู้สึกก็เปลี่ยนให้เราคอยรู้ทันนะรู้ทันความรู้สึกของตัวเองคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยเรืรู้เพื่ออะไรไม่ใช่รู้เพื่อบังคับว่าจะต้องดีจะต้องสุขจะต้องวิเศษวิโสแต่เรารู้เพื่อให้เห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ชั่วคราวความสุขเกิดขึ้นเรารู้ทันเราก็จะเห็นว่าความสุขก็อยู่ชั่วคราว ความทุกข์เกิดขึ้นเรารู้ทันนะเราก็จะเห็นอีกความทุกข์ก็อยู่ชัว่วคราวความสุขก็ชั่วคราวนะดีเกิดขึ้นก็ชัว่วคราววันนี้ขยันอยากอ่านหนังสืออ่านไปสองหน้าขี้เกียจแล้เห็นไหมเนี่ยความขยันเกิดขึ้นรู้ทันความขี้เกียจเกิดขึ้นรู้ทันก็จะเห็นอีกขยันก็ชัว่วคราวขี้เกียจก็ชัว่วคราวอะไร holm. อะไรทุกชนิดเลยที่ผ่านเข้ามาในใจเรามีแต่ของชั่วคราวทั้งหมดเลย หัดดูอย่างนี้นะนี่เป็นศาสตร์ที่จะช่วยพวกเราในอนาคตได้อย่างมหาศาลเลยนะคนที่เรียนกับหลวงพ่อทุกวันนี้นับจำนวนไม่ท้วนนะไม่รู้กี่หมื่นเป็นแสนแสนนับจำนวนไม่ถูกเลยนะมีทั่วโลกที่เรียนกับหลวงพ่อนะชีวิตจิตใจเขาเปลี่ยนนะบางคนเรียนในเวลาเดือนเดียวเองนะมาหัดคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองเนะี่ยในเวลาเดือนเดียวก็เปลี่ยนล รู้สึกเหมือนเราเกิดใหม่แล้วมีชีวิตใหม่ขึ้นมานะเป็นชีวิตที่ไม่ได้โงองงงายหลงเคลอบเคลิมอยู่กับโลกหลงหลไปเป็นชีวิตของคนที่รู้ความจริงของชีวิตเป็นชีวิตของคนที่ตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความฝันโลกของจินตนาการมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงได้เป็นชีวิตของคนที่เบิกบานแม้กระทั่งความตายรออยู่ข้างหน้าถ้าเราฝึกนะค่อยๆรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆนะ ใช้งานได้สาราพัดเลยลูกศิษย์หลวงพ่อจํานวนมากนะใจร้อนขับรถเร็วรถคว่ำรถหงายรถคลิกรถหมุนอะไรนี่เรื่องปกติเลยแทบไม่ค่อยมีใครเป็นอะไรเลยนะยังไม่เคยได้ยินว่าใครเป็นอะไรเลยไม่ใช่ปาฏิหารอะไรปาฏิหารของสติเขาคอยรู้ทันนะพอรถเกิดอุบัติเหตุปุ๊บใจกลัวปุ๊บเห็นความกลัวเลยความกลัวขาดสะบั้นลงไปนะเหลือสติอะเหลือความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ เนี่ยรถหมุนไปแล้วหัวกาลังจะโขกพื้นละก็หลบซะหน่อยหนึ่งก็แค่นั้นเองแทนที่หัวจะแบะนะกลายเป็นหน้าถลอกไปหน่อยหนึ่งฝึกเอาไว้นะใช้ได้สารพัดเลยวันหนึ่งอกหักก็รู้สึกเรื่องปกติธรรมดาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตก็รู้สึกธรรมดากลับบ้านวันนี้อาจจะไม่เจอพ่อเจอแม่แล้วอาจจะตายไปแล้วก็ได้ เนี่ยถ้าใจที่มันฝึกมาดีแล้วนี่มันยอมรับความจริงว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องปกตินะทุกอย่างมันชั่วคราวมันจะไม่หวั่นไหวนะถึงหวั่นไหวก็หวั่นไหวน้อยกว่าคนทั่วๆไปเพะั้นความทุกข์เนี่ยมันจะลดลงไปอย่างมหาศาลเลยถ้าเราฝึกหัดรู้หัดดูความรู้สึกที่มันเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในจิตในใจเรานะคอยหัดดูไปไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะรู้จักความสุขไหมเคยสุขบ้างไหมฮึ่มรู้จักความทุกข์ไหม ใครอิดชาใครเคยอิดชาบ้างยกมือให้หลวงพ่อดูสินี่โอ้ผู้ชายก็อิจฉาเยอะใช่ไหมใครเคยกลัวบ้างรู้จะกลัวไหมกลัวใครเคยเซ็งบ้างเซ็งสุดขีดตอนที่นั่งฟังเทศนนี่แหละเ <c oughs> <c oughs> นีนีแม้ความรู้สึกต่างๆเรารู้จักใช่ไหมความโลภรู้จักไหมอยากได้อยากได้มือถือ อยากได้ไอเดี๋ยวนี้ไออะไรนะไอไอโฟนไอโฟนเท่าไหร่ละไอโฟนห้าหรือหกหแล้วเหรออยากได้เคยอยากได้ไหมบางคนนั่นไล่มาซื้อมันทุกตัวเลยอย่างหลวงพ่อไม่สนใจอ่ะเพราะหลวงพ่อทําเป็นแค่โทรเข้าโทรออกเล่นอย่างอื่นไม่เป็นออกเนี่ยอย่างเราเรามันอยากตลอดเวลานะความอยากรู้จักใช่ไหมอยากได้เนี่ยถ้าเรารู้ทันใจที่อยากนะ ความยำจะกระเด็นออกจากใจเรามันจะเหลือแต่เหตุผลนะสมควรซื้อก็ซื้ อ, อไม่สมควรก็ไม่ซื้ อ, อใช้เหตุผลแล้วเราจะเป็นคนที่มีชีวิตอย่างมีเหตุผลนะไม่ใช่คนที่เอาแต่สนุกสนานเพลิดเพลินไปวันวันอย่างที่ญี่ปุ่นมันวิจารณ์เรามันพูดถูกนะเพราะเราว่าคุณภาพต่ำจริงๆเลยทําไมคุณภาพเราต่ำํำใจเราต่ําใจเราต่ำเพราะเราไม่มีธรรมนะ อยากใจให้มันสูงขึ้นนะอย่าไม่ให้ใครเขาดูถูกก็คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองให้ดีเถอะอย่างที่เขาบอกคนไทยไม่รับผิดชอบทำไมไม่รับผิดชอบมันรักสนุกรักสบายนะถ้าเราคอยรู้ทันใจมันอยากไปเที่ยวแล้วไม่อยากทํางานรู้ทันหรือไม่อยากไปเที่ยวแล้วไม่อยากจะเรียนหนังสือเรารู้ทันความอยากมันจะหายพีเองนะตอนนี้เป็นเวลาเรียนเราก็เรียนเวลาทํางานเราก็ทำนี่กลายเป็นคนมีความรับผิดชอบขึ้นมาแล้วนะงั้นเราหัด รู้ทันความรู้สึกของเราไว้ให้ดีนะไม่งั้นต่อไปชีวิตเราจะลําบากนะคนไทยนะทิ้งธรรมะไปแล้วน่าเสียดายมากเลยเมื่อก่อนเนี่ยผู้ชายทุกคนต้องบวชนะแล้ไม่ใช่บวช15วันบวช7วันเหมือนตอนนี้นะก่อนนะบวชพรรษาอย่างน้อยนะบางคนบวชหลายๆลพรรษาศึกออกมาเป็นบัณฑิตเรื่องทิศเป็นทิศของเราเป็นบัณฑิตนล้วเรียนให้ครบ4ปีสอบให้ได้ก็แล้วกันก็เป็นบัณฑิตแล้นะบางทีก็เป็นบัณฑิตโจรไม่ได้เป็นอะไรแบนดิต ไม่ช่ <laughs> ไม่ใช่บันติต่ราะเราทิ้งธรรมะไปนะเราทิ้งการฝึกจิตฝึกใจของเราไปนะิงการเจริญสติใจเราก็ถูกกิเลสลากไปในทางต่ำนี่คนทางประเทศมันถูกลากไปด้วยกันนะก็เลยภาพพจน์ของประเทศออกมาเสียงถูกมองว่าเนี่ยเอาแต่ประโยชน์เฉพาะหน้าไม่มองถึงสังคมเห็นเด็ดตัว ไม่มองสังคมนะสังคมจะอยู่ไงไม่สนบ้านกูตระกูลกูอยู่ได้แล้วตัวกูอยู่ได้ก็พอใจแล้วที่เขาวิจารณ์นะก็เพราะอะไรเพราะเห็นแก่ตัวทำไมเพราะเห็นแก่ตัวเพราะว่าความเห็นแก่ตัวมันครอบงาจิตนะที่ถูกเขาวิจารณ์ถูกเขาว่ามาเนี่ยเพราะว่าเราทิ้งคุณธรรมไปนะเราละเลยที่จะคอยรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเอง หัดรู้เท่าทันนะถึงบางทีเราจะแก้สังคมใหญ่ไม่ได้แต่เราช่วยตัวเองได้เราต้องเจอความทุกข์อันมหาศาลที่เราไม่ได้สร้างไนอะ้พวกที่มีอำนาจทางการเมืองทางเศรษฐกิจอะไรพวกนี้มันสร้างปัญหาขึ้นมาแต่เราเป็นเบีย้ยตัวเล็กตัวน้อยเราต้องรับความทุกข์อันนั้นนะถ้าเราปฏิบัติเป็นนะเราจะทุกน้อยนะจนก็จริงนะแต่ไม่ทุกนะอดก็จริงไม่ทุกนะเจ็บจริงแต่ไม่ทุกนะ ถ้าเราฝึกได้นะศาสตร์แห่งความพ้นทุกศาสตร์แห่งการถอนความทุกข์ออกจากใจเราได้นะเราจะมีชีวิตที่ร่าเริงมีชีวิตที่เบิกบานในสมัยพุทธกาลนะเคยมีคนไปเฝ้าพุทธเจ้ากุฏิท่านอยู่ลึกอยู่ท้ายวัดนันเดินเข้าไปเรื่อยผ่านกุฏิพระอื่นๆไปเยอะแยะเลยไปถึงท้ายวัดก็ไปเจอพุทธเจ้าก็ไปถูลพพุทธเจ้าบอกน่าอัศจรรย์พระเจ้าข้า สาวกของพระองค์สงบแต่ร่าเริงถ้าพวกเราเป็นสาวกของพระเจ้าจริงสงบนะร่าเริงนะมีความสุขมีความเบิกบานนะแต่ไม่ใช่เบิกบานแบบหลงโลกกรี๊ดกอะไรเงี้ยเนาะและนั้นเบิกบานแบบจิ้งหรีดกรี๊ดกรี๊ดกนะถ้าเราจะมีความสุขได้นะแม้ก็ตั้งความตายมารออยู่ข้างหน้านะเราเราอย่าเข้มแข็งขึ้นเยอะเลย พยายามนะอย่างน้อยตัวเองดีขึ้นเมื่อเราดีขึ้นแล้วนะเราหัดดูจิต ด, ดูใจคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นแล้วเนะี่ยคนรอบๆตัวเราใ น, ในบ้านเราเขาจะเริ่มเห็นว่าเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเขาก็จะสนใจเราก็ถ่ายทอดวิชาให้เขาบ้างให้เขาคอยรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองบ้างนะสอนเขานส่สนบ้านทั้งบ้านมันก็ร่มเย็นนะ เราประยู่ที่ทำงานมาอยู่ในมหาลัยนะเรามีความสุขให้เขาเห็นนะมีความสงบมีความเบิกบานให้เขาเห็นบางคนที่เขามีบุญวัสนามีสติปัญญาเขาก็สนใจว่าเราฝึกยังไงเราเปลี่ยนมีคนที่เรียนกับหลวงพ่อเยอะเลยนะจนํานวนมากเลยเขาบอกอเลยว่าชีวิตเขาเปลี่ยนเขาเคยทุกข์มากก็เหลือทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็เหลือทุกข์สั้น ที่สําคัญนะผู้หญิงอ่ะสวยกว่าเก่านี่เป็นเรื่องแปลกนะเป็นเรื่องจริงไม่ใช่โกหกเลยในห้องนี้ก็มีตั้งหลายคนสวยกว่าเก่าถ้านาธิการเนีนะ่โยมเนี่ยสวยกว่าเก่าไนดะ้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีความผ่องใสในใจนะจิตใจที่ผ่องใสจิตใจที่เบิกบานนะหน้าตามันก็ผ่งใสอย่างเวลาเราโกรธนะหน้าเราผองใสไหมเวลาเราโกรธหน้าเราก็หงิกงี้ใช่ไหม เวลาเรารอบกระดีกด็ด่าหน้ากบาลมันดูไม่สวยไม่งามเรามีสติมีความรู้เนื้อรู้ตัวนะพ่องใสเคยมีนิตยสารอันหนึ่งนะไปสัมภาษณ์คนสวยมีหลายคนสัมภาษณ์คนสวยไม่อยู่คนหนึ่งเขาบอกเ้าสวยเพราะเขาฟังซีดีของหลวงพ่อประโมทคนคนบอกแห่สวยเพราะซีดี เอาซีดีมาถูหน้าหรือไงนะถ้าถูอย่างนั้นหน้าเหี่ยวไปเลยนะไม่ได้เอามาถูหน้านะไปฟังฟังแล้วก็หัดรู้ทันใจของตัวเองใจมันจะมีความสุขนะพอใจมันมีความสุขหน้าตามันก็สดใสคนขี้โมโหเราอยากเข้าใกล้ไหมไม่มีใครอยากเข้าใกล้คนขี้โมโหหรือคนขี้โลภเจอหน้าก็จะยืมตังใครจะอยากเข้าใกล้เห็นไหมหรือคนฟุ้งซ่าน เจอนะพูดแล้วน้ำลายกระเด็นทั้ง3าวายไม่ใครก็อยากยุ่งด้วยนะนี่พอเรามาฝึกสติของเรานะรู้ทันใจของเรากิเลสหยาบหยามันไม่มา ใ, า, า, าใจเราสบายพอใจเราสบายร่างกายเราก็ผ่องใสหน้าตาก็จะสดใสเมื่อไหร่ใจเรามีความทุกข์นะหน้าตามก็ทุกข์ไปด้วยนะงั้นเราฝึกนะถ้วกระทั่งหน้าตาอย่างเปลี่ยนเลย สวยกว่าเก่ากล้ารับหรอกนะสวยกว่าเก่าถ้าภาวนาถูกนะถ้าภาวนาผิดนะจะบ้ากว่าเก่าภ <laughs> <laughs> าวนาผิดเป็นไงแทนที่จะคอยรู้ความรู้สึกที่มันเปลีป่ยนแปลงจะไปบังคับความรู้สึก <laughs> อย่ากโกรธนะเนี่ย <laughs> ทุกวันจะต้องมีชีวิตอย่างเงี้ย <laughs> หลวงพ่อเห็นหลวงพ่อก็ถอยเหมือนกันแ <laughs> หละน่ากลัว ถ้าภาวนาแบบที่หลวงพ่อสอนนะรับรองไม่บ้าไม่เคยมีใครเรียนกับหลวงพ่อแล้วบ้าเลยนะมีแต่คนบ้ามาเรียนนะมีนั่นเดี๋ยวนี้จิตแพทย์บางคนรักษาคนไข้รักษาไม่หายนะเวียนเข้าเวียนออกอยู่นั่นจนหมอหนเบื่อมากเลยหมอแทบจะเป็นโรคจิตต่อเลยนะ่นะะรักษามันไม่หายทีนะเขาใช้ไม้ตายนะเอาแทนที่จะให้ยาอย่างเดียวนะเอาซีดีหลวงพ่อประโมทไปฟังด้วยก็ <laughs> มันหายนะ <laughs> กินยาน้อยลงน้อยลงได้นะแล้วใจอยู่ที่ใจนะใจมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะใจมันได้รับการฝึกฝนมันมีความสุข ม, มีความสงบขึ้นมากนระะทั่งชีวิตํำเค็นก็ยังมีความสุขได้นะไปฝึกเอานะท่านที่การมีซีดีแจกไหมมีค่ะแต่มีจำกัดแต่ ว, ว่าเดี๋ยวจะมีเอาจากที่วัดมาเพาา <มา S 1> ินะมเ่มเติแจกฟรีนะ หลวงพ่อเน่ยแจกซีดีแจกหนังสือเยอะมากเลยนะนับจํานวนไม่ท้วนเลยคนไหนเขามีกระตังเขาก็ไปปั๊มมาให้เขาก็ทํามาให้แล้วก็แจกต่อได้ไปแล้วอย่าเอาไปถูหน้านะ <c oughs> ได้ไปแล้วไปฟังนะฟังบ่อยๆมีเคล็ดลับนะเปิดไปเรื่ๆอย่าไปกังวลว่ารู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องฟังไปบ่อยๆ ย, ยังไงก็ไม่โง่ถึงขนาดไม่รู้เรื่องหรอกสักวันหนึ่งก็รู้นะ ในเวลาไม่นานหรอกส่วนใหญ่เดือน2เดือนก็เปลี่ยนไปหมดแล้วชีวิตจิตใจอพอสมควรแก่เวลานะจะขอเมตตาหลวงพ่อสอนสมาธิหนนั่งสมาธิที่ถูกต้องแป๊บนึงไไ ด, ไได้เคยนั่งกันไหมละ่ะส่วนมากเรานั่งสมาธินะก็มีวิธีการนะสารพัดเลยเห็นไหมเตรียมตัวขยับกันใหญ่ลนะ <laughs> ใครสั่งใครสอนมานั่งสมาธิต้อง ต้องวังไอ้นี่มันวางฟอร์มนะครูบาอาจารย์หลวงพ่อองหนึ่งนะชื่อหลวงพ่อพุทธธานิโยท่านบอกเอาหัวทิ่มพื้นนะเอาเท้าชี้ฟ้ากนะ็ทำสมาธิได้เพราะฉนั้นะสมาธิไม่ได้เกี่ยวกับอิริยบทนะแต่ทำไมพอเราคิดถึงการนั่งสมาธิเราต้องนั่งขัดสมาธิใช่ไหมมือวางอย่างนี้นะเพราะอันนี้รับวัฒนธรรมอินเดียมาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในอินเดียนะคนอินเดียมันไม่มีเก้าอี้นั่ง ก็เลยนั่งกับพื้น่ะถ้านั่งกับพื้นน่ะที่ดีก็คือท่านั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบเน่ไม่ดีนะเป็นท่านั่งที่ไม่ดีเลยนั่งพับเพียบเนี่ยกระดูกจะเสียแล้วนานๆจะเด้งใช้ไม่ได้หรอกงั้นท่านเลยสอนให้นั่งสมาธิก็พวกเรามีเก้าอี้นั่งอยู่แล้วว่าอยู่ๆจะนั่งสมาธิอ้าวต่อไปนี้ถึงเวลานั่งสมาธิยกเก้าอี้ออกนะโอ้ยมันโง่หลายนะ สมาธิหรือไม่สมาธิมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่กระบวนท่าถ้ามีสมาธิจริงนะยืนเดินนั่งนอนทุกกระบวนท่านี้มีสมาธิได้ทั้งสิน้นสมาธิเนี่ยเป็นศัตรูของความฟุ้งซ่านผู้นี้เป็นศัตรูกันเมื่อไหร่ฟุ้งซ่านเมื่อนั้นไม่มีสมาธิเมื่อไหร่มีสมาธิเมื่อนั้นไม่ฟุ้งซ่านนะวิธีการที่จะทําให้เกิดสมาธินะก็คือต้องขจัดความฟุ้งซ่านออกไป วิธีขจัดความฟุ้งซ่านที่ง่ายที่สุดนะก็คือรู้ทันว่าใจกำลังฟุ้งซ่านรู้ทันว่าใจกำลังฟุ้งซ่านอย่างถ้าเรารู้ทันว่ากำลังโกรธเนี่ยจะหายโกรธรู้ทันว่าโลภจะหายโลภนะรู้ทันว่าเสียใจจะหายเสียใจมันหายเองเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสนี่เป็นกฎของธรรมะนะเป็นเรื่องจริงเลยเป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งมากเลยเมื่อไรเรามีสติอยู่ กิเลสจะเกิดไม่ได้กิเลสเกิดตอนเผลอตอนขาดสติเท่านั้นนะงั้นเราคอยรู้ทันเรามาฝึกมีสติทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านไปจิตที่ฟุ้งซ่านส่วนใหญ่จะฟุ้งซ่านหนีไปคิดนะอยากดูจิตที่หนีไปคิดไหมถ้าอยากดูจะพาดูหลวงพ่อจะหยุดพูดชั่วคราวนะแล้วห้ามพวกเราคิดนะ ห้ามคิดเอาเริ่มคิดไหมห้ามไม่ได้หรอกอย่าไปห้ามมันเลยนะเห็นไหมจิตมันคิดเนะนี่ยเนี่ยวิธีการของเราก็คือรู้ทันเวลามันคิดนะการจะรู้ทันได้ดีนะต้องมีเครื่องอยู่คล้ายๆมีแลนด์มาร์คมีเครื่องสังเกตมีเครื่องสังเกตงั้นมะันหลุดออกไปจากเครื่องสังเกตเนี่ยจะดู ง, ง่ายว่าหลงไปละนะ แต่ละคนไม่เหมือนกันทำกรรมฐานเนียกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดคนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็เห็นร่างกายหายใจใจเราเป็นแค่คนดูอยู่ถ้าใจเรานีไปคิดเราก็คอยรู้ทันถ้าใจเราไหลลงไปฟุ้งซ่านเข้าไปไหลเข้าไปจับอยู่ที่ลมหายใจเราก็รู้ทันคอยรู้ทันใจที่ไหลไปทำกรรมฐานสอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันใจที่ไหล อันนี้อะไรทำให้เราเกิดสมาธิที่ดีขึ้นมานะอย่างเรารู้ร่างกายหายใจนะทุกคนลองดูนะอย่าไปจ้องลมหายใจนะอย่าไปจ้องลมหายใจนะให้เห็นร่างกายทั้งตัวนี้กำลังหายใจอยู่เห็นด้วยความรู้สึกรู้สึกไหมร่างกายหายใจอยู่ทำนะไมทุกคนลองยิ้มห ว, นหวานๆสิยิ้มคล้ายๆสาวมาบอกรักเราหรือหนุ่มมาบอกรักเรา เห็นเห็นร่างกายกําลังยิ้มไหมเห็นร่างกายหัวเราะไหมเห็นด้วยใจนะเห็นด้วยความรู้สึกลองพยักหน้าสิเห็นไหมตัวนี้พยักหน้าอยู่นี่เรารู้ด้วยความรู้สึกนะงั้นเราหายใจไปเราเห็นร่างกายนหายใจเรารู้สึกว่าร่างกายหายใจอยู่อย่าไปจ้องใส่ลมหายใจนะส่วนใหญ่อย่าไปจ้องใส่ลมหายใจแล้วจิตจะแข็งทื่อๆไปสงบแบบนั้นใช้ไม่ได้สงบแบบเคร่งเครียด ลองรู้สึกสิร่างกายกำลังหายใจรู้สึกไปสบายๆเนะนี่ยหัดรู้สึกอย่างนี้นะแล้วถ้าใจมันแอบไปคิดมันไม่ยอมดูร่างกายที่หายใจแล้วมันจะไปคิดเรื่องอื่นนะโอ้เย็นนี้มีนัดพระก็ไปพูดมากไม่เลิกสัทีอะยนนะใจเราฟุ้งไปแล้วใจเราโลบใจเรากรดอะไรขึ้นมาคอยรู้ทันนะเพราะนั้นเราเราหายใจไปนะเราเห็นร่างกายหายใจไปแล้วก็คอยรู้ทันใจของตัวเอง ใจเราฟุ้งซ่านแปหนีพิคิดแล้วเรารู้ทันใจไหลไปจ้องอยู่ที่ลมหายใจแล้วรู้ทันลองไปจ้องใส่ลมหายใจสิทุกคนลองจ้องที่ลมหายใจจองจับอยู่ที่ลมหายใจลองดูนะลองดูอืมใช้ได้แล้วเห็นไหมใจทื่ๆเวลาใจไปจับกระทั่งจับลมหายใจนะใจอย่าทื่ๆนะลองเปลี่ยนใหม่เห็นร่างกายหายใจใจเป็นแค่คนดูสบายๆ เห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายมันนั่งก็ได้นะถ้าเรากระดุกกระดิกก็เห็นร่างกายกระดุกกระดิกใจเราเป็นแค่คนดูสบายๆนะเนี่ยถ้าฝึกอย่างนี้นะเราจะได้สมาธิที่ดีขึ้นมาสมาธิอันนี้ไว้ทำงานได้สารพัดเลยนะอย่างเราทำงานบ้านเรากวาดบ้านนะเห็นร่างกายกวัดบ้านใจเราเป็นคนดูไม่กลุ่มใจนะใจมันจะสบายนะใจมันมีสมาธิอยู่ในทุกๆอริยาบทเลย เดินอยู่ก็เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูถ้าใจหนีไปรู้ทันใจฟุ้งซ่านแล้วรู้ทันใจก็สงบเป็นคนดูอยู่จะนั่งอยู่ก็เห็นนะหายใจอยู่ใจหนีไปเรารู้ทันใจก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่หนีไปสงบได้สมาธินอนอยู่ก็ได้เห็นร่างกายมันนอนหายใจไปเรื่อยๆนะใจหนีไปคิดเรารู้ทันใจมันก็ตั้งมั่นสงบขึ้นมาม้สมาธิทาได้ทุกอิริยาบถนะนี่พวกเราเคยชิน ดูไอ้หนังแบบโบราณอนะ่ะแบบพวกฤาษีนะพูดถึงสมาธิที่ไหนต้องนั่งอีท่านี้ทุกทีเลยอย่างกะท่านี้ไม่มีสมาธิเป <c oughs> ็นมีสมาธิได้ทุกกระ บ, บวนท่ารสมาธิหรือไม่สมาธิมันอยู่ที่จิตถ้าจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิก บ, บานมันก็มีสมาธินะถ้าจิตมันฟุ้งซ่านมันก็ไม่มีสมาธิหรอกนะเพราะฉนั้นคอยรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านนะแล้วสมาธิจะเกิดไปฝึกเอานะ แล้วจะได้ประโยชน์มหาศาลเลยบางทีรู้ข้อสอบล่วงหน้าด้วยนะจะบอกให้ไม่ต้องแอบดูคนอื่นเลยหลงข้อมาก่อนทำงานนะงานงานวิเคราะห์งานนี้อ่านเ ป, ปเปอร์ในผิดเป็นตั้งตั้งเนี่ยอ่านนี้ต้องเขียนออกมานะวิเคราะห์ออกมาหาทางแก้ปัญหาอะไรพวกนี้ข้อมูลเป็นตั้ ง, ต, งตั้งนะอ่านรวดเดียวนะแล้วก็ไปนั่งหน้าคอมเขียนออกมา พวกผู้ใหญ่พวกผู้มนการมายืนล้อมโตะเลยนะรอเซ็นกดดันมากนะเราทางานแล้วมารอเซ็นเนี่ยแต่เราทำได้สมาี่เราดีข้อมูลที่เราอ่านนไม่มีความสับสนในใจเรานจัดลำดับให้เสร็จเลยอ่านจบปุ๊บก็บ จ, จัดลำดับออกมาเสร็จแล้วทำงานได้ละเพราะฉะนั้นการฝึกเนี่ยเราจะใช้ได้ทั้งทางโลกด้วยนะหรื อ, อยังเกิดอุบัติเหตุ ใ, ใจมันเด่นดวงขึ้นมาไม่ค่อยเป็นอะไรหรอก ฝึกไปเรื่อยความทุกข์ก็าะลดลงลดลงนะให้ฝึกเอาจบได้แล้วมั้งทานทีกันนะพอสมควรแก่เวลานานกว่านี้เด็กกลุ่มใจขอโอกาสให้มีบางคนส่งการบ้านค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะขอส่งการบ้านรอบปีหนึ่งเจ้าค่ะโยมก็ยังติดแพ้งอยู่นะเจ้าค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าจ ะ, ะจะเพ่งมากขึ้นด้วยแต่สองสามวันก่อนนี่รู้สึกจะเบาแต่วันนี้พอรู้ว่าจะมาส่งการบ้านนี่ก็เริ่มเพ่งแลคะใครเจอหลวงพ่อเพ่งหมดอะ่ะกลัวหลวงพ่อเหมือนกันหมดฮะท่านนั้นทีนี้โยมรู้สึกว่าเวลาเวลาหลงนะฮะมันก็จะเริ่มเพ่งทันทีตอนนี้รู้สึกก็จะเป็นเป็นติดนิสัยแล้วจ้ะคะ่ะ อืมมันก็ติดมานานแล้วลนะ่ะเมื่อก่อนเพ่งแรงนะเราฝึกกรรมาฐานเพ่งไหมคือไม่ทราบว่ า, าหลวงพ่อจะมีคำแนะนำยังไงบ้าง <c oughs> คือคือตัวเองนี่ก็ทำรูปแบบไม่ได้เพราะว่าจะเพ่งจะเพ่งทันทีเลยนะใช่ที่เพ่งนะ <c oughs> เพราะมันอยากดีไม่ดีก็ได้ร้ายเรารู้เอาเจ้าค่ะเพราะว่าเราอยากดีเราเลยควบคุมตัวเองมาก ก็เลยเพง่งอยากจะรู้สึกตัวตลอดเวลายอยากดีนะอยากจะบรรลุธรรมอยากดีก็เลย ไ, ไปเพ่งเอาความเพ่งเนี่ยเกิดจากความอยากอยากดีความหลงเนี่ยมันอยากชั่วนี่เราไม่อย่าไปถ้าอยากดีนะให้รู้ทันไม่ดีก็ได้แต่ไม่ชั่วบอกบอกเขาเหมือนกันนะคะว่าไม่จําเป็นจะต้องดีเสมอไปแล้ว ก็เห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นออแล้วความอยากที่จะให้หายก็เกิดขึ้นเจ้าค่ะให้รู้ทันเท่าที่รู้ได้นะความไม่เป็นกลางความยินดีความยินร้ายเกิดขึ้นรู้ไปเวลาเรารู้สภาวะแล้วถ้าจิตยินดีให้รู้ทันยินร้ายให้รู้ทันจ๊เข้าสู่ความเป็นกลางแล้วรู้ไปด้วยความเป็นกลางเดี๋ยวมันถึงจะหายแต่โยมก็รู้สึกว่า ยังไม่ค่อยเป็นกลางเท่าไหร่นะคะนี่ไงเป็นตรงนี้แหละคือปัญหาเพราะฉะั้นให้รู้ว่าไม่เป็นกลางไม่ใช่ว่าต้องเป็นกลางนะให้รู้ว่าไม่เป็นกลางเพราะเราสั่งมันว่าจงเป็นกลางสั่งไม่ได้เอาแค่ว่าเมื่อจิตดีดีให้รู้ทันเมื่อจิตดนร้ายให้รู้ทันนะไปหัดรู้ตัวนี้เยอะๆนะเจ้าค่ะคือ ตอนนี้ก็เห็นสภาวะที่เกิดขึ้นไม่ว่ามันจ ะ, ะเป็นกุศลหรืออกุศลมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็มันก็จะสลายตัวไปใช่เร<ล>าต้องการแค่นั้นแหละเนะนะพราะงั้นที่บอกว่าไม่ดีก็ได้ะนะอย่างโลภขึ้นมาก็ได้แต่เห็นโกรธขึ้นมาก็ได้แต่เห็นนะแค่นั้นเองเห็นแล้วจะเห็นอะไรเห็นว่ามันก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวนะชั่วก็ชั่วคราวาเท่ากันนะ แต่เราไม่ทําชั่วหรอกเพราะว่าทําไม่ได้เพราะเรามีสติอยู่เจ้าค่ะแล้วบางครั้งก็เห็นสภาวะที่มันมีตัวตนดวผดขึ้นมา เ, ออเดี๋ยวหลงพ่อสรุปรอบยอดให้เลยนะรู้ลงปัจจุบันไปนะโทสะเราเยอะโทสะมันยังเยอะนะงั้นถ้ามีโทสะมีความไม่พอใจเวลาเราเห็นกิเลสนะว่าเรายังมีกิเลสนะใจมันไม่ชอบนะรู้ทันมันเข้าไปอีกนะ ใครรู้ทันอย่างนี้แหล ะ, ะให้คนอื่นบ้างขอบคุณเจ้าค่ ะ, ะสวัสดีครับหลวงพ่อครับมมผมปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อมาประมาณ1นปีครับแล้ว ร, รู้สึกตัวเองแปลกไปตรงที่ว่าโทสะลดลงครับแล้วก็โลภะก็ลดลงแล้วก็แต่ว่ามันมีทิสัยบางอย่างเปลี่ยนไปครับมันเหมือนกับ ตัวเองออกห่างจากทางโลกครับไม่ได้เพลิดเพลินไปในการมาสุขอะไรอย่างที่ทางโลกเขาเขานั่นกันนะครับตอนหลังๆมันเหมือนใจมันนิ่งๆว่างๆผมก็เลยเอผมเนี้ยติดติดอะไรเหรอครับติดว่างเลอ๋อติดว่างนะครับเขอโทษนะครับถ้าเกิดเราเบื่อๆนิ่งๆเราไม่ตื่นเต้นไปกับสิ่งที่ชาวโลกเขาตื่นเต้นกันที่อันนี้มันเหมือนอันนี้มีสองอย่างนะครับหลุดออกมาด้วยปัญญาอันหนึ่งกับหลุดด้วยสมาธิอันหนึ่ง ถ้าใจเรานิ่งว่างอยู่เรื่อยๆนะทั้งวันเหมือนกันคงที่ยงติดแน่นอนติดสมาธิใช่ไหมครับใช่ผมไม่ได้ติดอันนั้นนะครับบางวันมันก็มีโทรศส์แต่มันมีไม่มากแต่ว่าอาการนิ่งอาการว่างมันมีดิวเรชันที่มันนานขึ้นนะครับไแหลเราัด้แหละเราสร้างมันขึ้นมานะให้เรารู้ทันนะว่ามันก็แค่สภาวะอันหนึ่งขอโทษนะครับถ้าเกิดเราเบื่อเราไม่ได้ตื่นเต้นอะไรอย่างที่คนอื่นเขาเพื่อทำหน้าให้ดูนะแบบไม่ตื่นเต้น เนี่อย่างนี้ปลอมนะอ๋อครับเอ้ถ้าเกิดมีตื่นเต้นมากคือผมสงสัยว่าพอปฏิบัติเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรเป็นนิพิทายานของจริงอะครับนิพิทาเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเกลียดอันหนึง่งแล้วจะไปเอาอันหนึ่งนะอันนั้นโทสะครับนิพิทาเนี่ยมันเห็นทุกอย่างเนี่ยไม่มีาสาระเท่าเ ท, ท่ากั น, กนแต่ว่าไม่เท่าเท่ากันด้วยปัญญานะมันถึงเรียกนิพิทายานมีปัญญาไม่ใช่นิพิธาด้วยสมถะนะเอ้แล้วเท่าที่ผมอ่า การเรียนนําเสนอหลวงพ่อมาหลวงพ่อมีอะไรพอที่จะแนะนำผมบ้างหรือเปล่าครับผมเองก็ไม่แน่ใจว่าตัวปฏิบัติก้าวหน้าไปแค่ไหนแล้วครับก้าวหน้ามันก้าวหน้านะนานานะแต่ว่าเวลาที่เราเจริญวิปัสนาแล้วเนี่ยมันจะมีวิปัสสนูเกิดขึ้นวิปัสสนูสาหรับพวกที่ดูจิตเนี่ยนะคือความว่างสว่างว่างที่เรียกว่าโอภาครับนใจมันจะสว่างว่างสบายอยู่นะั้นเป็นวันๆได้เลยนะบางทีหลายๆวันเลยนะบางทีเป็นเดือนเลยนะ ถ้าตัวนั้นน่ะสังเกตให้ดีจิตเราไม่ถึงฐานจริงนะอย่างขณะ น, นี้ลองย้อนมาดูจิตสิมันจะเด้งออกลองย้อนดูสิเห็นไหมมันเด้งออกครับใช่อนะ่ะมันไม่ถึงฐานนะเพราะว่ามันไม่ถึงฐานเดินวิปัสสนาโดยจิตไม่ถึงฐานเนี้ยอาการของวิปัสสนูจะเกิดขึ้นตัวนี้เรียกว่าโอภาษ์จนะ ก, กลัววิปัสสนูเพราะคนทําวิปัสสนาต้องเจอทุกคนแหละ นะถ้าเราทําวิปัสนามาเจอตัวนี้ได้ก็ถือว่าเราพัฒนามาแล้วนะแต่เราจะผ่านตัวนี้ได้เนะี่ยเมื่อจิตถึงฐานจริงๆพระนนท่านเรียกวิปัสสนูิเลสว่าธรรมุทัตจะธรรมะอุทัตจะฟุ้งซ่านนะถ้าเมื่อไร่ท่านสอนไปเลยถ้าเมื่อไหร่สมาธิเกิดขึ้นถูกต้องนะวิปัสสนูจะหายนะเพราะตอนนี้ให้เรารู้ทันว่าจิตมันไม่ถึงฐานนะถ้าเกิดเรารู้ทันว่ามันไม่ถึงฐานแล้วมันจะถึงฐานใช่ไหมครับ บางคนจะถึงบางคนจะถึงเลยนะแต่บางคนไม่ถึงบางคนไม่ยอมกลับถ้าไม่ยอมกลับมานะให้ดู ก, กายไว้ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะดูวริยาบทเออดูวิริยาบทย่อยอ๋อครับนะเพราะอะไรเพราะกายเป็นบ้านของจิตรับเข้ามาที่กายก่อนนะเดี๋ยวเมื่อมีแรงแล้วมันเข้ามาที่จิตทีหลังนะราะมันมีวิธีเป็นทริคนะขี้โกงนิดหน่อย เอาความรู้สึกตัวจับไว้ที่เราหายใจแล้วหายใจเอาความรู้สึกตัวกลับเข้ามานีแต่ทําสัก2 ค, ครั้งอย่าทำสามครั้งถ้าสามครั้งอยู่แน่นเกินไปอ๋อครับนะหลวงพ่อช่วยสูบอีกทีได้ไหมครับว่าผมติดตรงไหนครับขอโทษดิครับจิต <ด S 1> <ะ>ไม่จิตไม่เข้าฐานจิตไม่ถึงฐาน<ม>ใช่ไหมครับเร<ม>านิพพิทายานก็ยังไม่มีใช่ไหมไม่มีนิพพิทาเนี่ยจิตต้องเดินวิปัสสนาเลยตรงนี้แหละนะเราะนั้นตัวนี้เป็นโทสะอ๋อครับจะพยายามฝึกต่อไปครับ ให้รู้ฐานจิตที่ไม่ถึงฐานไหมลองลสังเกตสิมันจะเด้งออกเอออื้อแล้วใช้ได้แล้วครับเอาย่อๆหน่อยได้ไหมแต่เราควรส่งยาวๆขอโอกาสเขับหลวงพ่อครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแลครับที่ได้จะได้มาส่งกันบ้านกับหลวงพ่อครับครั้งนี้ก็ต่างจากครั้งที่แล้วก็คือ จิตมันมันมันสลดมากขึ้นคือมันไม่มันไม่ขนองเหมือนเดิมเพราะมันไปเจอกับทุกทุกเวทนาสังเกตไหมว่าขันมันแยกได้ดูออกหรือยังดูออกครับแต่ว่ามันมันไม่เป็นกลางครับหลวงพ่อสั่งให้เป็นกลางก็ไม่ได้ให้รั้ว่ไม่เป็นกลางนะครับการภาวนาเนี้ยก้าวหน้าขึ้นในแง่ที่ว่าขันมันแยกออกไปได้ใจเราตั้งมั่นใจเราถึงฐานจริงๆนะครับ แล้วเราก็ดูขัดนั้นทำงานนี่พอเราเห็นสภาวะมันทำงานแล้วเนี่ยใจไม่เป็นกลางเราสั่งไม่ได้ว่าต้องเป็นกลา ง, ง, งให้เรารู้ว่าไม่เป็นกลางนะอย่างขณะนี้ความสงสัยผุดขึ้นมารู้สึกไหมมีความสงสัยมันผุดปุ๊ บ, บขึ้นมาตอนนี้ตื่นเต้นจนเบลอเรับเ <laughs> <laughs> บลเลยนะก็ขอขอถ้าถ้าถ้า อขอคำแนะนาในการปฏิบัติครับถ้าถ้าสิ่งที่ทำมาถ้าอันไหนทำถูกแล้วล่ะครับนะครับถูกแล้วควรควรจะเน้นตรงไหนไหมครับให้รู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางนะครับนะการหลวงพ่อเจ้าค่ะคราวที่แล้วหลวงพ่อให้ดูกายและจิตทำงานไปขณะที่ฟังทำอยู่นี้ก็รู้สึกเบิกบานทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ย มองหน้าหลวงพ่อเนี่ยเบลมากเนื่องจากสายตาซึ่งมีปัญหาหแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจที่ธรรมะที่หลวงพ่อสอนไปเนี่ยมันช่วยได้มากในขณะที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมันมีความยอมรับกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงของร่างกายไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะแนะนำอะไรให้เพิ่มเติมเราทำได้ดีแล้วนะ เวลาที่ป่วยไข้ขันมันก็แยกนะค่ะมันก็ทำงานของมันดีแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเกิดอุบัติเหตุคือสายตาซึ่งมันมีปัญหาในการมองเห็นมันทำให้เรามองภาพเนี่ยไม่ไม่เห็นตามความเป็นจริงมันเกิดล้มขณะที่ล้มเนี่ยมัน มันเหลือแต่ความรู้สึก ม, มันไม่มีกาย ม, มีแต่ตัวรู้ว่านี่เธอล้มเลยเนี่ยหน้าเธอฟาดลงไปเลยหร อ, อในขณะนั้นมันเหมือนแบบมีมีแค่ตัวที่รู้สึกอยู่อย่างเดียวแต่ร่างกายหรือว่าอะไรเหมือนดับไปหมดเลยหลวงพ่อชัวรค่ะ นันมันทิ้งกายเร็วไปมันจริงน่าจะล้มให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทิ้งไม่เลยค่ะคือจริงๆเราก็มีสติในในการคือก้าวขึ้นข้ามหลึกแบบว่าถึงที่แล้วนะคะแล้วก็จับเรือค่ะลงสู่โป๊ะค่ะบางเอนว่าโชคไม่ดีมีคนกระโดดลงมาแล้วสายตาของเรากะระยะผิดค่ะตกน้ำไปไหมไม่ตกค่ะแต่ฟาดโป๊ะ แล้วเป็นไงไหมก็นับนกแกนเนี่ยค่ะเขียวหมดเลยอ mm hmm. เสร็จก็นิ่งไปสัระยะหนึ่งสะอึกใจหนึ่อ mm hmm. เสร็จแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาก็ขณะที่ล้มเนี่ยคือความรู้สึกตัวเนี่ยมีอยู่รู้ว่าตัวเองล้มแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยเรารู้สึกสีใจนิดนึงว่าไหนใครๆเขาล้มกันหรือว่าอุบัติเหตุ ท, ทาไมใครๆเขาเขาสามารถอันเนี้จิตมันรวมลึกไห มันรวมไปทิ้งกายไปเหลือแต่จิตอันเดียวค่ะไม่มีกายเลยค่ะแต่ปกตินะพอจิตรวมไปอย่างนั้นมันมีพลังนะพลังคุ้มครองเจ็บก็ไม่มากหรอกค่ะแต่ก็จริงค่ะอืเสร็จแล้วก็คนขับเรือเขาก็ถามว่าเป็นอะไรไหมก็ลืมตาขึ้นมาบอกเขาว่าไปเถอะไม่เป็นอะไรก็เนี่ยค่ะปกติก็ไม่ค่อยเป็นไรก็จิตมันส่งสมาธิค่ะคือสายตาซึ่งแบบว่ากะระยะผิด ออืซึ่งแบบมันก็ใจเสียเหมือนกันนะคะว่าเออตกลงว่านี่เราช่วยตัวเองได้ไหมเนาะได้ค่ะไปตามอีกไปค่ะหลวงพ่อจะให้มีสิ่งใดที่ทําแล้วมันยังขาดอยู่เจ้าค่ะสังเกตใจอ่ะนะกิเลสอะไรแฝงอยู่เรารู้ทันไปเรื่อยๆนะค่ะรู้ทันตัวนี้แหละเพราะกายเนี่ยจิตมันทิ้งละ มันพร้อมจะทิ้งไก่เมื่อไหร่ก็ได้แล้วมันหลบด้วยเลยมันเบื่อมากมันหลบเออมันมาดูกิเลสนะค่ะกิเลสที่มันไม่ชอบอ่ะก็ก็มีนะคะแต่แปลกมากซึ่งไม่สบายหนักเนี่ยแต่บางทีทําไมมันเหมือนบางทีมันเหมือนยิ้มยอะแล้วมันก็ยิ้มนั่นแหละจิตมันเบิกบานค่ะเวลาจะตายจริงนะมันจะเบิกบานยิ่งกว่านี้อีกก็ก็จริงๆมันน่าจะร้องไห้ไม่ร้องเลยมันไม่ร้องไห้ค่ะ แต่ถ้าบางทีส่งการบ้านหลวงพ่อซึ่งแบบพูดแล้วบางทีน้ำตามันไหลออกมาเองแล้วมันเรียกปิติค่ ะ, <น>ะแต่ว่าถามว่าเศร้าโศกเหมือนแบบที่เคยเป็นไหมไม่ใช่ก็มันก็เป็นเรื่องที่ก็แอ บ, บดีใจลึกๆนะคะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ช่วยเราได้จริงๆต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะโมตนาด้วยนะสธุสาภ า, า, าวนาพรอเจ้าขาแล้วแล้วสิ่งที่ทาอยู่เนี่ยนะคะ หลวงพ่อจะให้ทําอะไรเพิ่มอีกไหมคะทำอย่างนี้แหละเคยรู้ทันจิตไปช่วงนี้นะคะภาวนาได้แค่เห็นว่าสิ่งที่บังคับบังคับไม่อะไรไม่ได้เลยทําอะไรก็ไม่ได้ด้วยเนี่ยดูสิแม่ความรู้สึกมันจะพูดเปลือยรู้ทันมันเข้าไปค่ะอผ่านกลับหลวงพ่อจะ้ออจะค่ะแต่เดิมเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อว่าตัวเองรู้สึกว่าเป็นคนดี เดี๋ยนี้รู้สึกตามความเป็นจริงแล้วค่ะว่าร้ายมากก็รู้สึกกินดีที่ได้กลับหลวงพ่ออย่างใกล้ชิดในสถาพันที่เคยเรียนสมัยตั้งแต่เป็นวิทยาลัยค่ะก็อยากจะแสดงความเจตนาเดิมนะคะว่าจะบวชบูชาคุณพระแทจ้าห<อ>ลวงพ่อตลอดนะไปดแล้วก็ทุกวันนี้มีความรู้สึกตัวเร็วขึ้นค่ะโกรธไรพวกนี้หายเร็วขึ้นดีมากปกติบปคน ดูเหมือนว่าจะเข้มแข็งดีก็ขี้แงแต่ว่าหยุดร้องไห้ได้เร็วขึ้นสังเกตไหมเวลาโทรศัพท์เกิดนะใจจะมีความทุกข์นะนี่พอเรารู้ทันมันขาดไปนะมันไม่ค่อยทุกข์สิจะสบายขึ้นดีเวลารู้สึกตัวเร็วขึ้นมารู้สึกใจเร็วขึ้นมาก็นึกระลึกขอบพระคุณหลวพ่อทุกครั้งเจ้คะดีแล้วก็นาไปสาธุเจค่ะนมรดกการครับหลพ่อครับพอดีผมส่งการบ้านครั้งที่แล้วกับคุณมาลีเขาบอกว่า รู้สึกผมเสริมไปครับจิตเดิมมันล่าเริงกว่านี้รอรอบพอดีผมไปปฏิบัติที่วัดแห่งหนึ่งแล้วก็ตั้งใจมากแล้วก็เดินจงกรมก่อนข้างเยอะอะครับแต่ผมเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นบังคับตัวเองมากไปอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็พยายามผ่อนคลายลงแต่ไม่ทราบว่ามันดีขึ้นหรือเปล่าจิตที่ดีที่สุดนะคือจิตของคนธรรมดาจิตสบายๆได้แล้วรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆนะอย่าไปข่มมัน ถ้าเราไปขม่มมันมันจะนิ่งกว่าความเป็นจริงแทนที่เราจะเห็นไตรรักษนะจะเห็นมันเฉยเฉยนะเราปล่อยให้มันทํางานแนละ้วจะเห็นเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วทุกอย่างเปของชั่วคราวนะค่อยๆ ค, ค, คลายออกไปหลวงพ่อมีคําแนะนํำอื่นเพิ่มเติมไหมอยู่ๆไปเลิกเทลงมันสั่งมันไม่ได้หรอกนะค่อยๆ ค, คลายออกค่อยๆรู้สึกรู้ว่ามันเกินนึกถึงสมัยที่ยังภาวําไม่เป็นอนะ จิตใจอย่างนั้นแหละดีจิตใจอย่างพวกเนี้ยพวกเด็กๆเกนี้ยดีที่สุดเพราะอะไรมันมันไปกระทบอารมณ์มันก็มีความรู้สึกไปตามธรรมชาติแต่ว่าพวกเด็กมันจะเสียอย่างไม่มีสติ <c oughs> มันกระทบอารมณ์แล้วมันก็แสดงอารมณ์ไปตามธรรมชาติเนี่ยไม่ได้รู้ทันส่วนนักปฏิบัติเนี่ยมีสติแต่ไม่มีอารมณ์ที่เป็นธรรมชาติ <c oughs> ไปบงังคับซะจนนิ่งเลยเนี่ย <c oughs> ได้อย่างก็เสียอย่าง <c oughs> กลับไปเป็นเด็ก แก่ไปเป็นเด็กนะแล้วค่อยรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของมันนมัสการครับหลวงพ่อก็ได้ส่งกันบ้านกับคุณหมอไม่นานครับก็คุณหมอบอกว่าเหมือนแบบเราขี้เองว่าเราปฏิบัติตะวว่างเหมือนจิตมันไม่ไม่ปฏิบัติไม่ค่อยเดินมันญัตแล้วก็ให้มาเดินตรงกลมครับหลวงพ่อให้แบบเท้ากระทบพื้นให้รู้สึก ไม่ทราบว่าเดินได้ถูกต้องไหมครับเดินถูกต้องไมมาเดินให้หลวงพ่อดูมาข้างหน้านี้มาเผลอไปแล้วรู้สึกไหมใจเราหนีไปลืมตัวเองนีไปคิดถ้าเดินแล้วกาหนดจิตลงที่เท้าอย่างนี้จะได้สมร t นะแต่ถ้าเดินแล้วรู้ทันจิตใจของตัวเองไปเรื่อยๆหรือเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนจะได้ปัญญา เพราะนเดินเนี่ยถ้าวันไหนเราฟุ้งซ่านเราก็กําหนดลงไปกําหนดไปสบายๆ ส, สงบไม่สงบเพาช่างมันกําหนดอยู่ที่ร่างกายเรืมันก็จะสงบต้องรู้สึกไม่ไม่อย่าไปรู้สึกที่เท้ารู้สึกทั่วตัวรู้สึกสบายๆเผลอแล้วเห็นไหมมันลืมตัวเอง เน็ตระหว่างเดินนะใจหนีไปคิดเราก็รู้ทันไม่ห้ามมันนะถ้าไม่ได้เดินจงกรเลี้ยวไปได้บ้านเราไม่ยาวๆเราตื่นเลี้ยวไปเลี้ยวมาเอาลเดินกลับไปที่นะเดินแล้วมีสติไปเดินแข็งไปอาจจะเพราะตื่นเต้นมีคนดูนะ <c oughs> อยู่บ้านคงไม่แข็งขนาดนี้นะ <c oughs> เวลาเดินจงกรมเราก็คือเดินให้มีสติ น, นั่นเอง นะถ้าตอนไหนมันฟุ้งซ่านมากก็เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูอยู่นะได้ความสงบไปถ้าจ ะ, จะเจริญปัญญาก็เห็นเลยตัวที่เดินอยู่ไม่ใช่เราหรอกใจที่เป็นคนดูอยู่ก็ไม่ใช่เราหรอกนะยังยังพอไปปฏิบัติต่อได้ไมครัหลวงออย่าไปเพ่งก็แล้วกันนะติดเพ่งยังเพ่งอยู่เวลาเราเพ่งแนละ้วใจมันจะแข็งแข็งจะแข็งแต่อันนี้มันอาจจะเ อ, อเรสนะ ว่ามันตื่นเต้นก็เลยเพยงแรงกว่าธรรมชาติค่ะก็ <c oughs> จะถามเรียนถามหลวงพ่อว่าเออคือตอนนี้ยเหมือนเวลาถ้าปฏิบัตินั่งเองเนี้ยเพราะหลับตาพูดพูดใส่ไม้ได้ไหมมันจะฟุ้งซ่านน <c oughs> มันจะฟุ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยเออเพราะมันจะฟุ้งเหมือนมันเด้งขึ้นมาเองอย่างเงี้ยแล้วก็อย่าไปหลับตาสิ<อ>พระเจ้าก็ไม่ได้สอนให้หลับตานะท่านบอกพิสูจทั้งหลาย ให้เธอคู่บันลังหรือนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจเขายังไม่มีหลับตาเราไปหลับเอาเองอะแต่ถ้าใจเราภานาไปใจสงบนะตามันปิดเองแล้วแบบทำไมอันมันที่มันฟุ้งมากๆครับผมห้ามมันไม่ได้ห้ไม่ได้ให้รู้ว่ามันฟุ้งให้รู้ว่ามันฟุ้งคิดไปให้มันคิดไปเอไม่ใช่คิดแล้วให้มันคิดไปคิดแล้วให้รู้ว่ามันคิดไม่เหมือนกันนะคิดแล้วให้มันคิดไปใครๆันก็เป็นอย่างนั้นอ ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะไม่ใช่ใชไม่ดีรู้สึกไหมเราไม่เหมือนเดิมไปส่องกระจกดูก็เห็นนะหน้าไม่เหมือนปกติแล้วได้ได้ครั้งทำของพ่อคือคน <c oughs> ที่รู้สึกตัวเป็นนะหน้าตาจะไม่เหมือนมนุษย์นะ <c oughs> น่าจะจะเหมือนเทวดา <c oughs> มนุษย์เนี่ยจะหน้ายับยับเยินเยิหน้าเหมือนโดนเหยียบมาดูไม่ค่อยได้อ่ะ พอใจมันตื่นนะหน้ามันสว่างให้หลวงพ่อแนะนำหนูอีกหน่อยของหนูเป็นโรคคิดมากไปโรคฟุ้งให้เราคอยรู้ลมหายใจไปหายใจไปจิตนี้ไปคิดเรารู้หายใจจิตนี้ไปคิดเรารู้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆจได้สมาธิพ่อคิดก็ให้เรารู้ว่าคิดเลยเออคิดเรารู้ว่าคิดไม่ใช่คิดก็ปล่อยให้มันคิดไปกลัวคิดเยอะๆกลัวเป็นกรรมไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวถึงไงก็เป็น กับพุกันหลวงพ่อขาะกับนมัสการค่ะเดือนที่แล้วหลวงพ่อบอกให้หนูไปดูโทสะค่ะเห็นไหมเห็นค่ะแต่เบื้องหลังของมันก็คือคิดค่ะใช่ถ้าเกิดไม่คิดไม่คิดก็ห้ามไม่ได้ทีนี้เราควรปัดที่ทิศก็คิดก่อนไม่ใช่จิตจะคิดนี่เราห้ามไม่ได้แต่ถ้าคิดแล้วมันเกิดโทสะให้รู้ทัน ไม่เฉพาะโทสะนะโลภะก็เหมือนกันก็ตามหลังความคิดไม่เ่งตัวที่ใจมันคิดนัใจมันฟุ้งซ่านพอมันคิดไปแล้วก็คิดในเรื่องนี้้วจิตมีโทสะคิดอย่างนี้จิตมีราคะก็ให้เรารู้เราไม่ได้ห้ามคิดเพราจิตมีธรรมชาติคิดห้ามมันคิดไม่ได้แต่วันคิดแล้วเกิดราคะให้รู้คิดแล้วเกิดโทสะให้รู้รู้เฉยๆไม่ต้องไปละ รู้เพื่ออะไรเพื่อจะเห็นว่าโทสะก็ชั่วคราวราคาก็ชัวว่วคล้าลุงพ่อขาแต่มันทั้งวันเลยค่ะมันก็เหนื่อยทีกเวลาเหนื่อยก็ทําสมถะอยู่พุโทโธพุทโธไป <c oughs> ให้ได้พักผ่อนบ้างหลักของการดูจิตดูใจนะใช้หลักที่พ่อเจ้าสอนนะดูกราภิกสูตรทั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาไม่ได้บอกเลยว่าห้ามคิดคิดไปแล้วแหละมีราคามันถึงมี มีแล้วถ้าให้รู้ว่ามันมีนะก็จะเห็นว่าราคาอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับดูครับพิสูจทั้งหลายจิตไม่มีราคารูว้ว่ามีราคาใช่ไหมก็มันดับไปแล้วมันไม่มีดูครับพิสูจทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะใช่ไหมมันไม่ได้ห้ามนะท่านบอกว่ามีแล้วรู้ไม่ใช่ว่าห้ามมีด้วยซ้ําไปท่านไม่ได้สอนนะพิสูจนทั้งหลายอย่ามีโทสะไม่ได้สอนพิสูจนทั้งหลายอย่าคิดคําว่าอย่าเนี่ยไม่มีเลยนะ มีแต่ว่ามีราคาให้รู้ว่ามีราคามีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะแต่ไม่ปล่อยให้ครอบงาใจจนทำผิดศีลนะมีขีดกั้นอยู่ตรงนี้มีโทสะก็ได้แต่ไม่ให้ไปด่าเขาไปตีเขานะมีราคาก็ได้ไม่ให้ไปรักไปขโมยเขาอะไรอย่างี้หลวงพ่อคะก็หนูก็เลยเห็นติเตียนนุ ต, ติได้ทุกเรื่องเลยคะ่ะเพราหนูว่าจิตมันเต็มไปด้วยโทสะนะค่ะ มันกงุดหงิดหงุดงิดเต็มไปหมดห้ามมันไม่ได้ยอมรับสภาพไปเราเป็นอย่างนี้แหละที่จริงเราเป็นอย่างนี้ก็เพราะเราฝึกของเรามาอย่างนี้เราสะสมมาแบบนี้นะ mm hmm. คนรุ่นเราเนี่ยจิเลตยืนพื้นเลยนะคือโทสะ mm hmm. เต็มไปหมดเลยไม่เฉพาะหนูคนเดียวหรอกใครๆก็าเต็มไปด้วยโทสะนะคนยุคเราเนี่ยมันสะท้อนที่มาหรือไหม mm hmm. อย่างบางคนนะใจไม่ยุ่งเลยอยากสงบอยากภาวนาอย่างเดียวเลยนะไม่คิดจะมีแฟนไม่คิดจะมีคู่อนะไรเนี่ยพื้นเดิมเขาก็เป็นแบบหนึ่งพวกหนึ่งโอ้โหมโหตลอดเวลาพวกหนึ่งโลภตลอดเวลาพื้นเดิมมันก็เป็นอย่างนั้นของเราคนยุคนี้พื้นเดิมขี้โมโหส่วนใหญ่นะมาจากนารก <laughs> หลงพ่อขะแล้วถ้ามีสติรู้เนี่ยได้บ่อยขึ้นแล้วทํำยังไงคะถึงจะตั้งมัน่นหรือว่าถึงฐานเพราะว่ารอดู้ก็เห็นแล้วโทสะมาอีกแล้วไม่ใช่ฝึกไม่ให้มานะถ้าตรับใดที่เราไม่ใช่พระอนาคามี<อ>ก็ยังมาอีกก็รู้อย่างนี้ไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยไไนะเราไม่ได้รู้เพื่อเอาดีจะรู้เพื่อให้เห็นว่ามันห้ามไม่ได้โทสะจะมาเพห้ามมันไม่ได้ใช่ไหมอืมค่ะ ดูเพื่อให้ยอมรับความจริงไม่ใช่ดูเพื่อดัดแกลง mm hmm. คนเราที่มีความทุกข์ทุกวันนี้นะเพราะยอมรับความจริงที่กำลังมีอยู่นียไม่ไดนะ้มันอยากให้เป็นอย่างอื่นเช่นแก่แล้วก็อยากให้ไม่แกะนะ่ยอมรับไม่ได้ว่าแก่ mm hmm. ผมหงอกยอมรับไม่ได้ตีนกาขึ้นยอมรับไม่ได้ก็ทุกข์สนะิเจ็บไข้ได้ป่วยยอมรับไม่ได้ก็ทุกข์สิถ้าใจยอมรับได้ใจไม่ทุกข์หรอก งั้นเรามีโทสะขึ้นมานะใจยอมรับไม่ได้ย่่เกิดโทสะซ้อนโทสะอีกยิ่งยิ่งโมโหมากกว่าเก่าไปหัดรู้เรื่อยๆไปนะกลับมาสักการ์นค่ะจะขอโอกาสหลวงพ่อถวายสังฆทานนะคะขอให้พวกเราทุกคนน ะ, ะตั้งใจที่จะน้อมถวายเครื่องสังฆทานโดยอาจารย์จะกล่าวนะคะหนูคิดในใจกันนะคะอาพวกเราตั้งใจนะคะ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องสังฆทานพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทปราโมชโชขอหลุงพ่อโปรดรับเครื่องสังฆท า, า น, ทาานพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติมิตรทั้งหลายตลอดสิ้นกาลและนานเทินยถาวารีวหาปุราปาริปุเรนติสาคารัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเเมวะสมิจฉุตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามนิโชติระโสยถาสพีติโยวิวัตชันตุสภโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะ อภิวาทนาสีเลสนิจังววทาปจายิโนจตารโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังเด็กๆฝึกไว้นะจะได้ะจญกับชีวิตได้อย่างคนเข้มแข็งนะ